ได้รับนิมนต์ให้ไปพูดที่หมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะมีการเปิดนิทรรศการร้อยรูปร้อยกวีร้อยปีพุทธทาสพิคุก็มีการนำเอาภาพวาดของศิล ป, ปินกว่าร้อยคนแล้วก็บทกวนะีหลายสิบชิ้นก็นจริงเป็นร้อยมาเปิดแสดง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 เหมือนกับหัวมนุษย์หรือหัวคนธรรมดาหมายความว่าส่วนที่เป็นพระโมลีแล้วก็ส่วนที่เป็นฉับพลังสีนี้ก็จะโผล่พ้นพ้นกรอบนั่นออกมาส่วนที่อยู่ในกรอบนั้นก็เป็นเฉพาะส่วนที่เป็นเหมือนกับสีสมคนธรรมดาอันนี้ก็ตีความได้ว่าคือความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดาเนี่ยมันก็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 ส่วนนั่นแหะคือส่วนที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์ปุถุชนนั้นไม่มีส่วนนี้และพระพุทธองค์เนี่ยเนื่องจากได้บาเพ็ญธรมาจนกระทั่งจำแจ้งในสัจธรรมเข้าถึงความเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ทำให้จิตของพระองค์นั้นเป็นอิสระเป็นอิสระก็คือว่าอยู่เหนือกรอบหลุดออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยม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 เราก็สามารถที่จะยกใจให้เหนือจากการกำหนดของวัตถุได้อันนี้เป็นเพราะว่าจิตได้รับการฝึกฝนมาคือว่าแม้กายจะป่วยแม้กายจะเจ็บเนื้อแต่ใจนี่ไม่ทุกนี้ก็ทำได้หรือว่าแม้จะประสบกับความพลัดพรากสูญเสียความผันปวนปรนแปรซึ่งธรรมดาก็ทาให้คนเราทุกที่เราเสวทุกเช้าเนี่ย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 จงกระทั่งเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงแจ่มแจ้งในสัจธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่อาจจะยึดถือได้ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่น่า ย, ยึดถือด้วยเพราะถ้ายึดถือแล้วก็จะเป็นภพเพราะต้องหนีไม่พ้นความพลัดพากสูญเสียเพราะคนรานั้นได้กับเสียเป็นของคู่กันพบกับพร่างนี่ของคู่กันพบแล้วก็ต้องพรากมีได้ก็ต้องมีเสีย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 ทำร้ายกันก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละบางทีแม่ก็ตีลูกเพราะว่าลูกนี่ทำจานแตกหรือว่าทำรถขีดข่วนเป็นรอยแม่ตีลูกป้อตีลูกก็เพราะรถหรือว่าทำกระจกบ้านแตกก็ตีคล้ายๆกับว่าลูกนี่อาจจะสำคัญไม่เท่ากับบ้านหรือรถมันเป็นของเราแต่สุดท้ายเราเป็นของมันต่างหากคือเราต้องยอมเสียสละยอมทะเลาะกันก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อมันบางทีก็ยอมตายก็เพื่อมัน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 แต่ไปไ ป, ไ ป, ไปมาเราเป็นของเขาเราเป็นบ้าเป็นหลังวิกจริเตก็เพราะเขาเราตายยอมตายก็เพราะเขาใครเป็นของใครกันแน่อันนี้คือสภาพของคนที่ยังตกอยู่ภายใต้ของวัตตสงสารที่ต้องตกอยู่เป็นทาตเป็นทาตของวัตถุเป็นทาตของสิ่งต่างๆแต่เมื่อได้พัฒนาจิตจนกระทั่งรู้แจ้งในสัจธรรมนันถึงเป็นอิสระอย่างแท้จริงชนิดที่เรียกว่า แม้ความทุกข์ทางกายจะคุกคามอย่างไรก็ไม่ทําให้จิตใจนั้นเป็นทุกข์ได้แม้ว่าจะแก่แม้ว่าจะเจ็บหรือแม้ว่าจะต้องตายอันนั้นก็เป็นส่วนกายแต่ว่าใจนั้ น, น, น ผ, อผนะ่องแพ้วโปร่งโล่งเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็พระพุทธเจา้าหรือพระอรหันต์หรือว่าพระสาวกจำนวนมากก็ได้แสดงให้เป็นแบบอย่างยังมี ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือพระนางสาวมาวดีพระนางสาวมาวดีนี้เป็นพระเมรุสิงห์ของพระเจ้าอุทเทนก็เป็นที่อิจฉาของมเฮศีคนหนึ่งคือมาคันธิยามาคันธิยานี่เป็นคนที่อิจฉาแล้วก็พยายามที่จะทําลายพระนางสาวมาวดีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุทเทนหาทางกลั่นแกล้งคล้ายๆกับตัวอิจฉาในหนังไทยหรือในละครทั่วๆไป แกล้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลในสุดก็ได้วิธีว่ารอบวางเพลิงให้พระนาสาวมอดีถูกหลอกเข้าไปในในเรือนที่เก็บผ้านในปราสาทแล้วก็พระนาสาวมอดีก็เข้าไปกับสนมบริวารห้าร้อยคนแล้วก็ห้าร้อเนี่ยคงจะเป็นจํานวนที่เขียนไว้อย่างนั้นคงยิงยิงคงไม่ถึงแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็ปิดประตูไม่ให้ออกมาได้แล้วก็นามคัิยาก็เป๋าทั้งปราสาท พระสัมมาวิชันี่เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพุทธเจ้ามากเคยถวายจีวรห้ารอยปืนให้แก่พระองค์ซึ่งเป็นที่มาของคําสนทนากันระหว่างพระอนนุนกับพระเจ้าอุเทนว่านี่จีวรห้ารอยปืนนี่จะไปทําอะไรพระอนนุนก็บอกว่าห้าร้อยปื้นนี่ก็ไปถวายกับพระที่มีจีวรเก่าพระเจ้าอุเทนก็ถามตอบว่าแล้วจีวรเก่านี้จะเอาไปทําอะไร พระอนนท์ก็บอกก็เอาไปทําเป็นผ้าปูเตียงผ้าปูที่นอนและผ้าปูที่นอนอันเดิมนี้จะเอาไปไว้ไหนก็ทําเป็นผ้ารองผ้าผ้าปูพื้นพระอนนท์ตอบและผ้าปูพื้นอันเก่าจะไปไหนก็เอามาทําเป็นผ้ารองผ้าเช็ดเท้าและผ้าเช็ดเท้าอันเดิมจะไปไว้ไหนพระอนนท์ก็ตอบว่าก็มาฉีกฉีเป็นชิ้นๆแล้วผสมกับดินมาฉาเป็นผนังได้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 ให้บริวารนี้ได้ได้เอาเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาคือทุกขเวทนาที่เกิดจากไฟไหมเนี่ยเป็นอารมณ์จีก็ตั้งสติอยู่ที่เวทนานั้นเป็นสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดก็บรรลุ ธ, ธรรมขั้นสูงบริวานห้าร้อยนั้นก็เป็นโสดาบันบ้างก็มีสกิทาก็มีอนาคามีก็มีอันนี้พระเจ้าได้พยากรณ์หรือว่าได้ตอบหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่า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 ยกจิตนี้ให้เป็นอิสระจากทุกเวทนาได้ในสมัยของเราก็คงไม่เคยข่าวได้ยินพระเวียดนามนั่งสมาธิแล้วกใ็ให้คนจุดไฟเผาในช่วงที่ประตงเรียกร้องสันติภาพในเวียดนามเมื่อส0ิปีก่อนฝรั่งที่เขาถ่ายรูปไว้เขาก็แปลกใจมากว่าพระที่โดนที่เผาไฟนี่สงบนิ่งมากปกติคนที่โดนไฟเผานี่ก็ต้องวิ่งหนีวิ่งไปหาไฟหาละมาดับ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 มันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันก็เป็นศัพท์แต่ว่าเสียงศัพท์แต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองเราไม่ได้มองว่าใจของเราต่างหากที่ไปหยิบไปคว้าเอาสิ่งเหล่านี้นะเข้ามาเล่นงานใจของเรางนั้นคนเรานี้เป็นธาตุวัตถุเพราะเหตุนี้ก็คือใจไม่ได้ฝึกอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอินทสียสังวรนะก็คือว่าไม่มีการสํารวมอินทรีย์อินเสียสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์นี้ไม่ได้หมายถึงว่าตา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 เราไม่ได้ฝึกฝนใจเพื่อให้มีจิตที่สงบเท่านั้นแต่ให้มีจิตมีให้จริงอเรามีสติที่ไวเพื่อที่จะรู้เท่าทันไม่ว่ารูปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบแม้ว่าจะไม่ปอใจไม่นา่าพอใจเียงไรถ้าใจของเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ทะลุมาถึงใจนะมันก็แค่กระทบกายนะความทุกข์มันก็ติดอยู่ที่กายความทุกข์มันไม่สามารถที่จะทะลุมาถึงใจได้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 จาได้ตัดว่าโลกุตรธรรมเป็นเป็นสมบัติของทุกคนโลกุตระธรรมคือความสามารถหรือศักยภาพในการที่จะเป็นอิสระอยู่เหนือโลกซึ่งอันนี้าจาพุทธทาสก็เน้นมากนะเรื่องเอาเรื่องโลกุตระธรรมมาพูดเอาเรื่องจิตว่างเอาเรื่องนิพพานมาพูดนะคนก็บอกว่ามาพูดกับค า, ารวะได้ยอย่างไรนะค า, ารวะไม่ต้องทําต้องมีกิเลส ต, ต้องมีตัณหานะโลกุตรธรรมนี่ต้องไปพูดกับพระแต่อาจารย์พุทธทาบอกว่านั่นแหละ คาราวานนี่แหละยิ่งต้องเรียนรู้เรื่องกลุก่มกุตตรธรรมเพราะว่ามันเจอความบีบคั้นเจอความพันผวนปลนแปลงในชีวิตมากเปลียบไปก็เหมือนคนที่อยู่กลางแดดคนอยู่กลางแดดมันต้องมีร่มต้องมีร่มถ้าไม่มีร่มนี่ร้อนฝนตกมาก็เปียกแต่พระ น, น, นี่เหมือนกับอยู่ในป่าเย็นสบายอยู่แล้วฝนตกมาก็ยังพอหาโลมม้ชายคาหลบได้แต่คาราวานนี่เหมือนกับอยู่กลางแจ้งยิ่งต้องมีร่มยิ่งต้องใช้ร่ม โล ก, กุตละธรรมนี่เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ช่วยรักษาใจให้เป็นปกติให้ใจเป็นเป็นอิสระได้นั่นอาจารย์วุฒาก็พยายามมาพูดเรื่องนี้นะเอาเรื่องนีพพานมาพูดกับคารวะเอาเรื่องโล ก, กุตละธรรมประมัตธรรมนี้มาพูดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักเพราะเรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้